กำหนดสติจับอาลมใหายใจนั่นแหละอาณาปานสติเป็นการภาวนาแบบพระพุทธองค์นะอาณาปานสติคำแปลมันก็พอเข้าใจอยรอกอาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานาก็แปลว่าลมหายใจออก สติก็แปลว่าระลึกรู้นะนะเอาสติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่นะก็เรียกว่าภาวนาเท่านั้นแม้เราทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติอยู่อย่างนี้แบ่งสติไปลูกกับงานครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็มารูก้กับลมหายใจนะ ถ้าใครทำได้อย่างนี้การงานก็จเจริญรุ่งเรืองหมดสติแบ่งออกไปรู้กับงานเราทำอะไรอยู่ก็ให้รู้กับงานส่วนหนึ่งก็มารู้กับลมหายใจส่วนหนึ่งเราจะได้ภาวนาไปตลอดมันง่ายทานีถ้าทำได้อย่างนั้นทาได้อย่างั้นง่าย เหมือนกับเขาหาบน้ํานี่แหละต้องใส่ถังน้ำสองข้างนะแบ่งครึ่งกันหาบใส่เท่าเกันแบ่งครึ่งกันเราทำงานอยู่ก็เหมือนกันพอลมหายใจนี่มันต้องมีอยู่ตลอดนะมีอยู่ตลอดทำอะไรก็มีลมหายใจอยู่ ให้เข้าใจอย่างนั้นนะภาวนาปัดกวาดเช็ดถูก็ส่วนหนึ่งก็ไปดูงานที่เราทำครึ่งหนึ่งก็ให้มาลูอยู่ที่ลมหายใจล้างถ้วยล้างจานทำครัวทำอะไรอยู่ก็เหมือนกันให้มีสติอยู่อย่างนั้น เป็นการฝึกสติสติของเราก็จะเจริญแก่กล้าขึ้นมานะใช้งานได้คล่องแคล่วว่องไวเราไม่เคยฝึกสติอันนี้สติในการภาวนาถ้าเมื่อเรามานั่งอยู่อย่างนี้จึงเอาสติมาลู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวลมหายใจอย่างเดียว นะถ้าเราทำงานก็แบ่งครึ่งกันไปถ้ามานั่งอย่างนี้ก็มาลู้ลมหายใจนะนี่เรียกว่าภาวนาเราเรียกว่าภาวนานะถ้ามาลู้อยู่ที่นี่กิตของเราก็จะรวมมารวมอยู่ที่ลมหายใจนะเอาไปเอามา ลมหายใจก็จะจางคายหายไปก็จะเห็นตั้งแต่จิตของเราแล้ะเท่นี้คือพูดรู้รู้รู้รู้ ร, รู้อยู่เฉยๆพระพุทธเจ้ามาเอ่อกายและหูกายในที่นี่ไม้ทิ้งลมหายใจนะเอาดูไปดูมา จิตกับลมไม่หนีจากกันนะมันรวมอยู่เท่เดียวกันกายก็ระงับนั่นนะหรือลมหายใจจางคายหายไปไม่เห็นลมหายใจแหละทีนี้เห็นแต่จิตจิตไม่มีตัวไม่มีตนนะเป็นสภาพโลโลโลโลเป็นธรรมชาติว่างผ่องใส ก็เรียกว่าเราเห็นจิตเดิมแท้ของเราแต่ก่อนมันอาศัยอยู่ในลมลมหายใจห่อหุ้มเอาไว้อยู่เราจึงไม่เห็นจิตเมื่อเราเระงับดับลมลงได้ก็เห็นจิตของเราเป็นสภาพสภาวะโล่โลูโลเป็นผู้โลูโล ว่างเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ต้องไปกลัวตายนะบางคนเมื่อลมหายกายไม่มีกลัวเจ้าของจะตายก็เลยไปค้นหากจิตค้นหาลมหายใจขึ้นมาอีกจิต ก, ก็เลยถอนจิตหยาบขึ้นมาลมหยาบจิตก็หยาบลมละเอียดจิตก็ละเอียด ลมระงับดับลงก็เห็นกิจนี่วิธีธรทำเราก็ได้สมถะได้กิจเห็นกิจเห็นกิจแท้ใจเดิมของเราเรียกว่าได้สมถะนี่แหะเรียกว่าสมถะภาวนาเพราะว่าภาวนานี่มันแบ่งออกเป็นสองอย่างชื่อเต็มเรียกว่ากิตตภาวนาอ่นะ แต่เราก็มาเรียกเอาปลายมันเฉยเฉยว่าภาวนาภาวนาตัวเต็มเรียกว่ากิจตภาวนานะานากิจก็แปลว่าใจาากิจกับใจก็อันเดียวกันนั่นนะภาวนาก็แปลว่าการกระทําหรือการปฏิบัติการอบรมหรือการพัฒนามาแปลเสกันกับกิจก็แปลว่าทำ ทำใจอันแบ่งออกเป็นสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าทาสมถะคือทําใจให้สงบอันที่สองก็เรียกว่าวิปัสสนาก็ทําใจให้เกิดปัญญาเทา่านี้มันไม่ได้มากมายก่ายกองอะไรพอที่จะทําไม่ได้มันมีสองอย่างเท่านี้พาวนา หนึ่งทำจิตให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาตน้สองทำจิตให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าวิปัสนาภาวน า, านี้ไม่เห็นยากอะไรนะทำจิตให้สงบก็เอาสติไปจับเอาลมหายใจนั่นแหละคุมจิตมาลู้อยู่กับลมหายใจอย่าเผลอสติ พูดง่ายๆก็เอาลมหายใจเป็นหลักนั่นแหละเอาสติเป็นเชือกผูกกิดมาไว้กับลมอย่าให้มันวิ่งหนีอย่าให้มันวิ่งหนีเราก็ให้รู้ลมเห็นเราอยู่อย่างนั้นให้มันรวมอยู่ที่ลมหายใจให้มันรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียว ถ้ามันเย็บออกไปก็ตั้งสติไหมเย็บห้าครั้งก็ตั้งห้าหนล่ะสติเย็บออกไปสิบครั้งก็ตั้งสิบหนร้อยครั้งก็ตั้งร้อยหนเย็บออกไปตลอดวันตั้งตลอดวันมันก็มารู้อยู่ที่ลมหายใจคุมไปคุมมาสติแก่กล้ามั่นคงแน่นหนาล้วก็ ได้กิดเห็นกิดของเราเท่านั้นลมหายใจจางคายหายไปคงเหลือตั้งแต่ความรู้รูู้้ว่างสว่างสวัยผ่องใสก็ได้กิดเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าโบราณว่าตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอากิดง่ายๆเจ่านีน้ได้กิตเห็นกิตแล้วเหมือนกับ ช, าชา้าไร่ช้านา เขาหาจับวัวหนุ่มควายสาวตามฝูงมาผูกสวนตะไครผูกคอเอาเชือกผูกแล้วก็มาเลี้ยงให้มันเชื่องนะให้มันเชื่องแล้วเขาก็เอาไปใช้งานจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อจับจิตได้แล้วก็ทำบ่อย จิตไม่ไปไหนจิตไม่ไปเสพอารมณ์ภายนอกจิต ก, ก็จะอิ่มอารมณ์อิ่มอารมณ์ไม่วิ่งหาอารมณ์เหมือนแต่เกา่าจิตไม่วิ่งหนีจิตว่างจิตหยุดหยุดพักงานจิตจึงแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเรียกว่าเราจับเอาจิตได้นี่เป็นขั้นสมถะ นะมันจะเ่าพักอยู่แล้วแต่จลิตนิสัยของเราท่านทั้งหลายจะประคับประคองจิตอยู่ได้นานเท่าไหรนะ่บางคนก็อยู่ห้าสิบนาทีหกสิบนาทีบางคนก็ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่นะ จิตพักได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพละมีกำลังเท่านั้นเมื่อจิตมีพละมีกำลังจิตออกจากสมาธิไม่ไหม้น่นจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานเราก็เอาจิต น, นี้มาใช้ประโยชน์น้อมจิตไปดูจิต ออกมาใหม่ๆอย่าเพิ่งพุ้นพันทันเล่นอย่าเพิ่งออกให้กำหนดสติย้อนไปดูก่อนเข้าสมาธิเราเอาคำบริกรรมอะไรเราเอาฐานสมาธิไปตั้งไว้ที่ไหนจิตจึงว่างจิตจึงสงบลงได้เรานั่งอย่างไง เราเอาจิตไปไว้ไหนไปรู้อะไรมันจึงสงบจึงว่างเมื่อมันสงบแล้วเราเห็นอะไรต้องอยู่อย่างนี้ก่อนนะ่บางคนออกจากสมาธิปั๊บเพื่อปั๊บออกไปไม่มีสติสตังนะย้อนจิตทวนกลับมาดูซะก่อนมันสงบ ตอนเราสงบนี่เราเห็นอะไรนี่นี่ตอนเราจะเกิดปัญญาผู้ที่ท่านได้บรรลุพร้อมกับออกจากสมาธิท่านก็ทําอย่างนี้ได้ปัญญาวิมุตต์ตอนจิตสงบนี่เขาเรียกว่าเจโตวิมุตต์หรือวิขำพนาวิมุตต์ฌานสะกดขันห่ า, าไว้ชั่วครู่ชั่วคราว ชั่วโมงสองชั่วโมงออกจากนั่นมาก็น้อมจิตไปพิจารณาดูก่อนเข้าสมาธินั่งอย่างนี้ใช้คำวริกรรมวันนี้สติวางไว้ตรงไหนจิตมารวมอยู่ตรงไหนแล้วก็น้อมจิตไป พิจารณาดูตอนมันสงบเราเห็นอะไรตอนจิตออกจากสมาธิแล้วนี่นะใหม่ๆเราเห็นอะไรเราเห็นจิตเนี่ ย, ยให้มันรู้จักเข้าใจอย่างนี้เห็นจิตของเราเป็นธรรมชาติว่าง เป็นาธาตุรู้มีสภาวะรู้รู้รู้อยู่เฉยๆตัวผู้รู้นี่แหละท่านเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าพุทโธเนี่ยเราก็รู้อืมนี่แหละย้อนจิตไปดูตัวผู้รู้นี่คืออะไรนี่แหละคือจิตมีตัวมีตนมีสัตว์มีคนไหมไม่ไมีมนี่เราย้อนไปดูอย่างนี้นะเวลาออกจากไมไม ดูจิตของเรามันเป็นธรรมชาติว่างผ่องใสอยูอ่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีกายไม่มีลมหายกายไม่มีลมหายใจเราไปไหนเวลาจิตสงบมันไปหายใจทางไหนทำไมไม่ตายเราก็ดูไปให้เห็นอย่างนี้นี่แหละคือวิปัสสนา มันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลลมก็ไม่มีไก่ก็ไม่มีมีแต่ธรรมชาตินี่แหละลุตงตาทาเห็นทีแรกก็น้อมไปอยู่อย่างนี้โอ้เห็นธรรมชาติว่างสว่างผ่องใสเป็นธรรมชาติมองไปไหนในตาในนั่นก็เห็นขอบจั ก, กรวาลอยู่โอ้ธรรมชาตินี้ มันหมดโลกนี่ยมันเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียว น, นี่แหละท่านเรียกว่าลาบเหมือนหน้ากรองชัยสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีที่พักกุฏิกุฏตังก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาเรากาที่เรานั่งอยู่ก็ไม่มีไม่รู้ว่าเราหันหน้าไปทางไหน จิตเราก็จะว่างเป็นธรรมชาติอ ย, อย่างนีน้ไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้นั่นแหละเราย้อนจิตไปดูอย่างนี้นี่เราก็โอว่างที่สุดนี่แหละเขาเรียกว่าพุทโธเป็นธรรมชาตินี่เขาก็เรียกว่าธรรมโมพูดที่ว่ารู้มันว่างมัน วลีสุดผุดผ่องอยู่นี่ก็คือเราคือสังโคนี่เราก็เห็นพุทโทธธรมโมสังโครเรียกว่าเห็นสรระภายในสรณะที่พึ่งเห็นพุทธธรรมสงภายในขึ้นมาจึงมาเข้าใจว่าอ๋อนี่สาณะนี่แล้วจะเห็นจิต เราลูลรู้รูู้อยู่นี่เราต้องดูอย่างนี้รู้รูเป็นสภาวะรู้รูู้ตายไม่เป็นในจิตอันนี้ตายไม่เป็นมีแต่รู้รููู้้อยู่ท่านถึงเรียกว่าเป็นผู้รู้รู้ผู้ตือนผู้เบิกบานนี่พุทโธนี่เป็นพุทโธพูดอะไรเรียกว่าพุทโธ ตื่นอยู่กายของเราก็ไม่ง่วงเงาห h o นอนกายก็ตั้งตรงจิตตั้งกายก็ตั้งตรงเห็นแต่ธรรมชาติว่างผองไสจิตของเราก็แช่มชื่นเบิกบานอยู่ในธรรมชาติอ น, นั้นแหละนี่แล้วก็เห็นพุโทโธธรมโมจิตเป็นผู้รู้รู้อยู่ ตายไม่เป็นตายไม่เป็นรู้รูอยู่งั้นแหละเราเห็นตอนเข้าสมาธิอ๋อกิจที่เป็นผู้รู้ตายไม่เป็นนี่เขาจึงเรียกชื่อว่าอมตะอมตะกิจอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นนี่ธรรมที่ตายไม่เป็นธรรมชาตินี่ตายไม่เป็นอืม นี่และเวลาธาตุจะแตกขันจะดับแล้วก็เอาจิตไปอาศัยอยู่กับพุทธโธธรรมโมสังโฆพูดใดไม่เป็นนี่แหละเราก็สบายเมื่อมอรณะภัยมาถึงเราก็ปล่อยขันห้าทิ้งไปเอาสติคมจิตมารู้อยู่ที่พุทธโธธรรมโมสังโฆ เราก็ได้สวรรค์นิพพานขึ้นมานี่แหละกรรมจัดภัยได้จริงอืมไม่ได้ไปกรรมจัดภัยที่ไหนแต่ก่อนคิดว่าท่านพูดลอยๆขึ้นมาเฉยเฉยอาพเจ้าขอถึง พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือกรรมจัดภัยได้จริงเนึกว่า นึกว่ามันพึ่งได้ยังไงมันพึ่งได้จริงๆริงไหมพุทธโธอยู่ไหนพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปลิขิตพานไปแล้วพุทโธคืออยู่ที่ไหนธรมโมอยู่ที่ไหนสังโฆอยู่ที่ไหนจะไปพึ่งยังไงแน่นี่แหละเวลาออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตไปย้อนไปดูตอนเราเห็นในสมาธิ เรากเกิดปัญญารู้ว่าอ้อเป็นสภาพรู้รู้รู้รู้นี่แหละเขาเรียกพุทโธเป็นธรรมชาติครอบจักรวาลอยู่เขาเรียกว่าธรรมโมอย่างมันนีกว่าอ้อนี่หรือเขาเรียกว่าธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติตัวของเราเป็นธรรมชาติเขาจึงตั้งชื่อว่าธรรมกายธรรมกายแล้วก็รู้ขึ้นมา นะนี่พุทโธมันตายไม่เป็นรู้รู้รู้กิดแท้ใจเดิมมันตายไม่เป็นนะที่นี่นั่งสมาธิแป๊บเดียวออกจากสมาธิมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนเนี่เอาเวลาเข้าสมาธิเท่ากับไม่มีอะไรกิจสงบการเวลาไม่มีนึกว่าเข้าแป๊บเดียว แต่ว่าจิตถอนออกมาได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแสดงว่าเราก็รู้นี่แหละปัญญารู้ว่าอ๋อการเวลาไม่ครอบงำจิตของเราได้จิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ไปที่มาว่างครอบจั ก, กรวาลอยู่ธรรมชาติการเวลา จึงไม่มาครอบงําจิตของเราได้ท่านจึงมาตั้งชื่อจิตสมมุติว่าอากาลิโกจิตเนี่ยการเวลาไม่มีการเวลาอากิตไม่มีการเวลาตอนเข้าสมาธิอากาลิโกธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีการเวลาอากาลิโกธรรมเป็นธรรมชาติไม่มีการเวลา โอ้จึงเรียกว่าจิตลงถึงธรรมชาตินี่ไม่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาพระแล้วถ้าจิตตกถึงธรรมชาติก็เห็นอาการิียโกกจิตเหมือนกันไม่มีการเวลาไม่มีจุดติไม่มีเคลื่อนที่ท่านจึงเรียกว่าพันิพาณเห็นพะนิพาณ น, นี่อาณาปานสติ ได้เจตวไว้มุดนี่แหละหลุดพ้นจากขันหาในทิฏฐธรรมนี้นี่แหละทิฏฐธรรมตอนเราเข้าสมาธินี่แหละเห็นนี่แหละตัวปัญญาปัญญาแท้ปัญญาแท้ญญแทๆนะนี่ปัญญาแท้ๆไม่ได้ไปหาอยู่ที่อื่นปัญญาเนะ่นะเมื่อเราเห็นธรรมชาติ สว่างผ่องใสไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีการเวลาคอามงามิดเราได้กิดเราลงถึงธรรมชาติเหมือนกับน้ำไหลลงห้วยหนองคลองบึงไหลเอ่ยไหลเรื่อยลงไปถึงทะเลก็เป็นน้ำเค็มหมดกิตของใครก็ตามนั่งอยู่นี่ ถ้ามันตกถึงธรรมชาติอันนี้ก็เห็นอารมณ์พระนิพพานเหมือนกันหมดง่ายไหมล่ะทีเนี้ฮะเห็นพระนิพพานตอนนั่งสามาธิอยู่นี่ทิฏฐธรรมในปัจจุบันทันตายเห็นเองไม่ต้องไปเห็นวันไหนอีกเห็นทันตานี่แหละนี่ที่นี่ เราออกจากสมาธิมาเราก็ย้อนไปผู้ที่ท่านได้บุเพนิวาสานุสติยันท่านก็ทาอย่างนี้แหละน้อมไปดูดจิตของเราตอนมันว่างมันสงบเป็นธรรมชาติอยู่นะสัญญาอารมณ์ต่างจิตจะมาเก็บไว้ในธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติอันนี้ไม่มีประมาณ พระพองค์จึงตัดว่าอัปปามโนพุทโธเนี่พุทโธนี่ไม่มีประมาณไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าเพราะพระพเจ้าเป็นผู้ตัดสิลู่เป็นผู้เห็นเฉยๆอัปปามโนธรรมโอธรรมชาติา น, นี้ไม่มีประมาณอัปปามโนสังโฆนี่แหละ คุณของพัฒพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณเรียกร้องมาใช้เวลาไหนก็ได้เป็นสาระที่พึ่งได้ตลอดการตลอดเวลาไม่มีประมาณไม่มีการไม่มีเวลามีอยู่เต็มครอบจั ก, กรวาลไปหมดให้เข้าใจอันนี้แหละที่นี้ท่านก็น้อมไปดูเอาแต่ก่อน ละเลอกชาติหหลังไดนะ้ไปดูจิตนี่จิตมันทึกบันทึกเอาไว้นี่แสนชาติล้านชาติหมื่นชาติล้านชาติสองล้านชาติสามล้านชาติเราเกิดมาเราเคยไปเป็นอะไรบ้างเป็นผัวเป็นเมียใครบ้างเกิดอยู่ประเทศไหนบ้างทำอะไรบ้าง จะเห็นพบนั้นเป็นอันนั้นพบนี้เป็นอันนี้เคยเป็นผัวเป็นเมียกับคนนั้นคนนี้ย้อนไปเคยไปทําบุญทําทานด้วยกันเคยทําบาปด้วยกันชวนกันไปทําอันนั้นอันนี้หมดเราจะเห็นหมดย้อนและเลือกชาติหนนหลังได้คันนี้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานย้อนไปดู ความว่างอันนี้แหละที่เราเห็นในสมาธินี่แหละมันจะบันทึกสัญญาอารมณ์กิจไม่มีประมาณเต็มไม่เป็นสัญญาอารมณ์เก่ามันจะจำได้หมายรู้เอาไว้นะนอกจากนั้นผู้ที่ท่านได้จุดูปปาตญาณท่านก็น้อมไปดูสัต ทั้งหลายนั้นทำไมไปเกิดอยู่ในภพในภูมิต่างๆกันเพราะอะไระท่านก็น้อมจิตไปดูได้ดีไม่ดี ไ, ดดไปรู้หมดนั่นแหละอะไรใช้จิตได้เมื่อจับจิตได้แล้ว น, นั่นนก็ใช้จิตของเรานี่นะย้อนหลังไปดูถ้าจับจิตยังไม่ได้ ไม่ได้อปปนาชาญอปปนาสมาธิไม่ต้องพูดถึงมันไม่ได้ดอกทำยังไงก็ไม่ได้เพราะมันมาติดพัวพันอยู่ในกามอยู่ดับกามไม่ได้จิตไม่สงบกามมาฉันท่ายังยินดีพอใจในกามอยู่อ้นตู้หมดมองอะไรก็ไม่เห็นหมด เพราะว่าสามารถที่จะปราบนิบบัติธรรมห้ากรรมมาชันทะกาบความยินดีพอใจในกรรมมันลึกละเอียดนะกรรมยินในในร่างกายเรายินดีในร่างกายคนอื่นยินดีในบ้านช่องห้องหอยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆก็เรียกว่ายินดีในกรรมจิตจึงไม่ว่างให้พากันเข้าใจ ที่กิตไม่ว่างก็เพราะว่ากิตดับการรมมชฉันทะไม่ได้ยังพยาบาทถึงห่วองอยู่บางทีก็ง่วงนอนทินน้มิถะจับอยู่บางทีก็อุทะจะกุกุูจะความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบางทีก็สงสัยในการปฏิบัติจของท่านเรียกว่าวิกิจิจชาความโลเลสงสัย ทำให้เปรียบเสมือนทางสองแผ่งสามแผพงทำให้อยู่นี่แหละผู้ที่ท่านได้ญาณรู้ว่าประสัตไปเกิดอยู่พบนั้นพบนี้เพราะอะไรเขายังไปเกิดอยู่อันนั้นมันก็รู้เพราะกรรมคือการกระทำของเขาจิตนี่กรรมนี่ย่อมจำแนกเก็กสัตว์ออกไปอยู่ในพภพภูมิต่างๆ สำคัญนะกรรมกรรมคือการกระทํากระทําทางกายว้าจานี่แหละใครสั่งให้มันทําใจใจสั่งกายไปทําสั่งคำไปพูดใจก็ต้องรับผลกรรมไปถ้าแตกขั้นดับแล้วเขาจึงไปจุดตีอยู่ตามภพตามภูมิต่างๆก็เรียกว่าเราโลภอะอยุตูปปาตยานโลก ความจุติความเกิดของคนนั้นคนนี้ไปเกิดอยู่นั้นอยู่นี่แลาน้อมไปดูได้จับจิตได้ใช้จิตไปดูอะไรก็ได้นะถ้าใช่เป็นตอนนี้เราใช้ไม่เป็นเราไม่ฝึกใช้มันเลยจิตไม่ทำงานขนาดคนเอาอาหารใส่ปิโตมาเนีย่ยบอกมันไปดูก็ได้นะ าชานะเขาเอาอะไรมาอยู่ใ น, นมันรู้ไปหมดเลยจิตสำคัญนี่แหละจุปะปะปะตูปปาตยานคนหนึ่งบอกว่าโอ้ใช่จิตไปนวดขาให้โอ้ยบ้าแล้วมันจะนวดเป็นยังไงเขาจับจิตได้เขามาเล่าให้ฟัง ใช่จิตไปดูอันนั้นอันนี้ก็เห็นหมดคนนั้นทำอะไรอยู่มันก็รู้คนนี้คิดอะไรอยู่มันก็รู้ถ้าเทาทำฉลาดใช้มันได้นะจนิตนี่เวลาเราจับมาได้แล้วก็ใช้งานมันคล่องแคล่วว่องไวใช้ได้ดูอะไรจิตของคนนั้นคนนี้ก็ได้นั่นแหละ ว, ว่าเขาคิดอะไร เขาโกหกหลอกลวงไม่พูดกันไปนี่มันก็รู้ถ้าเราฝึกมันนะนี่แหละให้มาฝึกกิดให้มาฝึกกิจทีนี้ให้ไปดูกายอย่าของมันรู้หมดนะถอดกายมาดูโอ้ยไอ้ น, นี่ก็เป็นดินน้ำลมไฟเฉยๆไม่มีที่เรามาหลงว่ามี ต, ตัวตนสัตว์บุคคลอยู่นั่น มันไม่ใช่มันไม่มีมันยืนยันขึ้นมาเลยมันเป็นธาตุดินมารวมกันเฉยๆนี่นี่เราใชา่จิตไปอย่างนี้นะดูไม่มีตัวตนสัตว์บุกคลไม่มีเรามีเขาอยู่นี่นี่แหละผู้ท่านบนรรลุออกมาแล้วก็เอาจิตยืนลงเอาไว้มีแต่ความรู้รู้อยู่ ตาเห็นรูปพุโทโธก็ไปรู้ให้พุโทโธรู้แล้วไม่ยึดไม่ถือนะจิตแท้ใจเดิมไม่ไปยึดไปถือเอาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจะไปถือเอาก็ได้ถือเอาตามโลกเขาสมมติอยู่ด้วยกันก็ต้องมาถือเอาสมมติปฏิบัติตามสมมติ จิตมันตัวพุโทโธแท้เดี๋ยวมันจะเป็นท่านรู้รู้อยู่รู้แล้วไม่ยินดีไม่ยินลายไม่ไปยึดไปถืออะไรแล้วก็เอาพุโทโธมายืนลงไว้ผู้ที่จะเอาอารมณ์พะนิพานตาเห็นรูป ก, กว่าจิตก็ไปรู้ให้พุโทโธก็ไปรู้ให้รู้แล้วมันไม่ยินดีไม่ยินลายเหมือนอยู่ในอารมณ์สมาธิ แล้วก็ดับโลกดับอารมณ์ได้ที่แรกใหม่หมคนก็อยู่ด้วยกันอาหารการกินก็กินทำงานร่วมกันอยู่ทำไมจะรู้เฉยๆทำอะไรมันจะไม่ทำอะไรรู้มันต้องรู้จักกิจมันแบ่งออกเป็นสองภาค ภาคหนึ่งเป็นโลกิยกจิตทำงานทำอยู่มาหากินไปรับรู้อะไรมามายึดมาถือเอาส่วนจิตดวงหนึ่งมันจะเป็นโลกุตตรละนะมันแยกภาคกันอยู่ใหม่ๆมันเป็นมันทำไม่ได้เลยมันเป็นโลกิยะหมด เอาไปมาเราก็ฝึกโอ้อันนี้โลกิยะเราอยู่ในโลกสมมุติอยู่ผัวก็มีเมียก็มีบ้านช่องห้องหองก็มีวัดวาอารามก็มีทรอันนั้นอันนี้อยู่ก็มีเราก็ถือถือตามสมมติอ่านี่ถือตามโลกเขาโลกิยะจึงมาแบ่งออกได้ว่า อ, อ ถือตามโลกิยะอยู่เพราะว่าเราอยู่เป็นครอบเป็นครัวเป็นวัดเป็นวาเป็นอันนั้นต้องดูแลรักษาช่วยอันนั้นอันนี้อยู่ส่วนมันเป็นโลกิยะนี่เราก็เข้าใจส่วนมันเป็นโลกุตละก็มีนะถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นบางอย่างบางอะไรที่เราฝึกกิตไม่ทันก็เป็นโลกิยะ มีความโกรธหลงอยู่คือเก่าถ้าเราฝึกได้แม่ายเห็นลูกหูได้ยินเสียงเราก็ฝึกไม่ไปยินดีไปยินลายกิดมีหน้าที่ลูกให้เฉยๆท่านเรียกว่าอยู่ในอารมณ์อุเบกขาเอกคัดขัดลมคือเก่าอารมณ์ผนิพานอารมณ์โลกุตระอารมณ์วิมุต ให้เราแบ่งภาคออกอย่างนี้เวลาออกมาจากสมาธิถ้าจะเอาโลกุตละก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆไม่ยินดีไม่ยิน้ายเนี่ยเข้าใจนะที่เนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่เขาท่านเขียนเอาไว้จิตมันเป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยๆเป็นธรรมชาติอยู่เฉยๆ พูดโทนี่รู้ให้จิตเป็นผู้รู้รู้ให้เฉยๆเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสจิตต้องมารู้ให้ถ้าเราเพ้อเถิตีเป็นโลกิยะก็ไปยึดไปถือเอาถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ซ้มปชัญงยะอยู่ก็เป็นโลกุตระเห็นก็สัตย์แต่ว่าเห็นได้ยินก็สัตย์แต่ว่าได้ยินจิตรู้ให้แล้วก็ จับแล้วก็วางไม่ไปยึดไปถือเอาเราก็อยู่ในอารมณ์วิมุตติสุสเฉยวิมุตติสุอยู่ตลอดวันแล้วทีนี้ไม่ไม่ไปยึดไปถือเอาไม่สาคัญตนไม่หลงว่าเรามีรู้ว่ากายกับใจร่วมกันทางานเฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับ นี่จะถืออารมณ์วิมุตติสุขนี่ย น, นีย่ถ้าถืออารมณ์อารมณ์โลกิยะก็มีการทําการทารํางานมีอะไรอยู่ก็ต้องมายึดถือเอาให้พากันเข้าใจแบ่งออกนี่แหละหลักการภาวนามันก็มีเท่านี้จิจตภาวนาอ่ากิตก็คือใจภาวนาแบบว่าทำ ทำใจให้สงบเท่านี้ทำใจให้เกิดปัญญาเนี่ยท่านี้ง่ายไมหมละ่ะเทนี่ถ้าใครถึงความสงบแล้วปัญญามันง่ายท่านเรียกว่าสมาธินี่และทำให้เกิดปัญญาถ้าใครไม่ได้สมาธิก็มาเอามาเดินปัญญาทีหลังมันก็เห็นยากลําบาก ถ้าเห็นในสมาธิก็เห็นน้อมจิตไปดูเหมือนกับพูดให้ฟังนั่นะเราก็จับเอาขันห้าจับเอาจิตเอากายได้ตอนเข้าสมาธิลมหายใจไม่มีขันห้าไม่มีเหมือนกับเรานอนหลับนอนหลับตัวเราไปไหนละ่ะฮะมีตัวมีตนมีสัตว์บคุคคลไม่นอนหลับเอตื่นขึ้นมาก็มี เราเข้าสมาธิไปก็ไม่มีเมื่อออกจากสมาธิมามันมีจิตมาถือเอาเมื่อเตือนจากหลับขึ้นมามันก็มีจิตมาถือเอาแล้วอืมนี่แหละเรียกว่ามีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางคราวคราวนอนหลับเราไปไหนนั่นแหละเขาเรียกว่านิพานนิพานปุตุชนคือการนอนหลับ นิพพานของพระอริยะคือเข้าสมาธิอันนี่เข้าสมาธิไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาออกมาเราก็มายึดเอา อ, อารมณ์นี้เอาไว้นี่แหละเขาเรียกว่ากิจเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันวิมุตติสุขนี่แหละคืออารมณ์พระนิพพานมันใครก็ทําได้ถ้าอยากได้อย่างเป็น นะเข้าสมาธิแล้วก็เห็นจิตแท้ใจเดิมนั่นนะออกจากสมาธิมาก็น้อมกิดไปพิจารณาดูตอนเข้าสมาธิแล้วก็มาจับเอาจิตเดิมแท้มันจะมีอุเบกขาเอกันขดตาหลมรู้เฉยรู้เฉย เฉยอุเบกขาคือไม่ยินดีไม่ยินไล่นั่นละอ่จิตมีหน้าที่รู้ให้เฉยเฉยไม่ยินดียินไยพุทโธรู้แล้วก็ละก็วางพุทโธ ถ, ถ้ารู้ไม่ละละไม่วางก็เรียกว่าโลโลจยาจิตยังไปยึดไปถือเอาถ้ารู้แล้วละวางได้ก็เรียกว่าโลกุตระจิตมันก็มีแค่นี้ ง่ายๆแค่นี้เออฉะนั้นในการมาฝึกจุดมุ่งหมายก็คือให้จิตสงบ ก, ก่อนเรียกว่าสมถะออกจากสมถะแล้วก็มาวิปัสนาอ้าววันนี้ก็สมควรละละเพราะว่าเล่ามีจิตเอาละพ อ, อต้องไปทำทุละส่วนตัวอยู่อืม พอเข้าใจบ้างไหมล่ะฮะอ่ความมุ่งหมายการภาวนาภาวนาก็แปลว่ารรทาทาอะไรอะทาใจให้สงบอันแรกสองทาใจให้เกิดปัญญาเนี่ยนี่แหละหลงตาไปเข้าใจตอนออกจากสมาธินี่จึงมาเล่าให้ฟังนะออกจากสมาธิย้อนจิต เข้าไปตอนเรานั่งสมาธิเราใช้คําวรีกรรมเอะไรพุโทโธหรือเอาสัมมาอะระหังเอายุบหนอพองหนอเอาอาณาปานสติมันสงบได้อย่างนี้มันว่างลงได้อย่างนี้เวลาเข้าสมาธิทีหลังให้เอาแบบเดิมนะเข้าใจนะอย่าไปเปลี่ยนมันเคยสงบอย่างนี้ก็อเอาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไป อาจารย์อื่นไปวัดอื่นท่านไปพูดเรื่องยุบน้องพองน้องก็เปลี่ยนไปท่านพูดเอาพุโทโธก็เปลี่ยนไปถ้าใครสงบด้วยอะไรก็เอาอันนั้นเข้าใจนะอ่าไปเปลี่ยนไปตามอาจารย์อาจารย์ไหนท่านสงบยังไงท่านก็พูดไปตามท่านว่า น, นั้นอันอันเรานี่ก็พูดอานาปานสติก็เราสงบเพราะลมหายใจ ถ้าใครสงบยังไงแล้วความมุ่งหมายในการนั่งสมาธิคือทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วเห็นเขาว่าบริกรรมว่าไว้นิ่งอย่างเนี้ยทําอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่อย่าไปเปลี่ยนเป็นเด็ดขาดเปลี่ยนแล้วไม่สงบเลยหรือเราเคยสงบพุทธโธพุทธโธพุทธโธเห็นลองตา ม, มาพูดลมหายใจมาเปลี่ยนด้วยควรจะเปลี่ยนไหมฮะฮะอะไม่เปลี่ยน มันสงบยังไงก็อางนั้นความมุ่งหมายคือคําบริกรรมคําภาวนาเป็นอุปกรณ์เครื่องล่อจับเอาจิตเฉยๆถ้าจิตสงบด้วยอะไรแล้วเราก็เอาอันเก่าด้าพากกันเข้าใจอย่าไปหลงอย่าไปหลงอาจารย์อาจารย์นั่นว่าอันนี้อาจารย์นี่ว่าอันนั้นยังไงมันสงบเพราะอะไรก็เอาอันนั้นคือเก่าความมุ่งหมาย ใครสงสัยอะไรไหมหล่ะทีนี้อยากถามไหมเอาให้มันได้ถึงเกโตวิมุตให้ได้เห็นอารมณ์พนิพัน์ตอนจิตสงบท่านเรียกเกโตวิมุตจิตหลุดพ้นจากคันห้าชั่วชานข่มใบขั้วเข้าสมาธิอยู่ตนตัวสัตว์บุคคลไม่มี เหมือนกับนอนหลับยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเมื่อเวลานอนหลับตัวตนสัตบุคคลมีไหมฮะไม่ ม, ม, มีเมื่อเวลาเข้าสมาธิถึงจุดนั้นก็ตัวตนสัตบุคคลก็ไม่มีท่านจึงอุปมาอุปไมนอนหลับเป็นนิพพานนิพพานปุตตุชนคือการนอนหลับเข้าใจไหมมัเป็นอย่างนั้นแหละเวลา นิพพานของพระอริยะคือการเข้าสมาธิ จ, จิตว่างเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นผ่องใสสว่างสวัยอยู่นั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าอารมณ์พระนิพพา น, านอารมณ์วิมุตติสุขหรือเรียกว่าเจโตวิมุตติจิตดับขันห้าได้ก็เห็นพะนิพพาน ในปัจจุบันทันตาขนขณะนั่งอยู่นั่นแหละเออเข้าใจนะที่นี่นะอย่าไปเฟะอาจารย์นี่ว่าพุโทโธก็เปลี่ยนไปกับเขาเวลาเขานัดไปอบรมไปปฏิบัติบางคนก็ไปเปลี่ยนหุบ ป, ปากว่าเงน้นนะไม่ไม่พูดฝึกไปเข้า อะไรล่ะเขาเรียกว่าที่อำเภอฝางเนี่ยเคยไปเห็นครัああ้งหนึ e that <that ่งไปแล้วไม่พูดกันเคยไปไหมล่ะฮะปิดปากไม่พูดปิดวาจานั่ยละเคยไปไหมไม่เคยไปจะทราบอยู่อ่ไปเที่ยวหนึ่งเขาเขียนกระดาษน้อยๆลุงตามมาจากไหนบโอ้ยมันก็พูด มันก็พู ด, พดในใจนเนาะมันใช่ไม่ใช่จะไปกล่าวตู่พระพรุทธเจ้านะเพราะพระเจ้าให้พูดให้พูดให้คิดไม่ใช่อย่างนั้นบุคคลได้กล่าวตู่พระพรุทธเจ้าบุคคลนั้นตกอบายจภูมิเลยที่พระพรุทธเจ้าไม่สอนก็เอามาเพิ่มใช่ไหมละ่ะที่พระพรุทธเจ้าสอนไว้ก็ตัดออกนะมันไม่มันผิดอย่างนั้นนะ่ะ ปากมีให้พูดมีให้กินข้าวลองดูเล้วไม่กินข้าวไม่พูดไม่มีใครถามอะไรเลยฮะก็ยได้เจโต ว, วิมุตต์แล้ ว, วถ้าได้เจยต ว, วิมุตต์แล้วมันก็ง่ายเราก็เอาอารมณ์นั่นหละมายืนลงไว้มันจะมีอารมณ์สอง อุเบกขาเอกกัข้าตาลมรู้เฉยรู้เฉยอยู่เท่านั้นมเมื่อตาเห็นรูปตัวผู้รู้เนี่ยก็ไปรู้ให้กิดรู้แล้วเราก็รู้ว่ากิดก็ไม่มีตัวตนสันติบุคคลรูล้เฉยถ้าเราทำอะไรอยู่มีงานมีงานเราจะรู้เฉยไม่ได้นะเข้าใจไหมต้องให้ตอนนั้นมันเป็นโลกิยะอยู่ ต้องใช้จิตทำงานไม่ใช่จิตทำงานหากินไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเจ้าจิตเป็นวิมุตติก็รู้เฉยอยู่ที่เราเห็นนั่นล่ะไม่ยินดีไม่ยินลายอันนี้เขาด่ามาก็รู้เฉยได้เขานินทาว่าเก่ามาก็รู้เฉยได้เห็นของไม่ดีของไม่สวยไม่งามก็รู้เฉยได้เราควบคุมจิตได้ สองระบบระบบหนึ่งเป็นโลกิยะกิตระบบหนึ่งเป็นโลกุตตะละกิตใหม่ๆนี่รู้สึกจะฝันเฝือสับส น, นกันพอมาแยกได้จริงจริงก็กอ๋ออันนี้เป็นโลกิยะเราอยู่ในโลกนี้สมมุติอยู่ยมีข้อมีกลัวาอยู่ก็ต้องเอาเอาฝึกอันนี้ฝ่ายหนึ่งภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็เป็นโลกุตตะละ ต้องให้รู้ด้วยนะเอาละพาเลิกเทอนี้